เพื่อนเก่าเพื่อนหลอนเธอกลับมาแล้วเธอก็ไปสัมผัสสยองเมื่อน้ายังเป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณเก้าขวบเรียนอยู่ชั้นปสาม เธออาศัยอยู่บ้านของพ่อที่จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนที่น้ำเรียนอยู่เป็นโรงเรียนรัฐบาลเด็กที่มาเรียนในโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมีบางที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนด้วยกันทั้งนั้นวันหนึ่งน้ำก็ไปเรียนตามปกติซึ่งทุกวันจะมีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิง เรียนอยู่อนุบาลสองเดินทางไปเรียนกับเธอด้วยพอเลิกเรียนขณะที่น้ำกําลังขี่รถจักรยานกลับบ้านโดยมีน้องผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายอยู่ก็ได้ยินน้องเล่าให้ฟังว่าแกมจะมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับน้ำด้วยน้ำได้ฟังก็ตกใจเพราะแกมหายไปนานจนเธอแทบลืมเด็กสาวคนนี้ไปเสียแล้ว แก้มเป็นลูกคนมีฐานะดีเมื่อตอนที่แก้มยังเด็กมากเธออยู่กับยายที่เป็นเจ้าของไร่อ้อยซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับน้ำพ่อและแม่ของแก้มทำงานอยู่ที่กรุงเทพยายของแก้มให้แก้มเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านประมาณเกือบสามกิโลเมตรโดยมีรถของโรงเรียนมารับส่งทุกวัน แกมจะไม่ค่อยเป็นเหมือนเด็กคนอื่นๆเวลาโดนมดหรือสัตว์เล็กๆกัดก็จะเป็นแผลแดงวงใหญ่เป็นอยู่นานกว่าแผลจะหายคาของแกมจึงเต็มไปด้วยรอยแผลตอนนั้นน้ำก็คิดว่าเป็นแค่แผลธรรมดาจึงไม่เอะใจอะไรแกมเป็นหลานสาวของพี่เอเวลาพี่ชายของน้ำไปเที่ยวที่บ้านพี่เอ บางครั้งน้ำก็จะได้ไปด้วยระยะห่างจากบ้านของน้ำไปถึงบ้านพี่เอถ้าขี่จักรยานไปก็ใช้เวลาประมาณ20สินาทีพอไปถึงก็จะเห็นแก้มอยู่บ่อยๆแต่น้ำก็ไม่เคยเห็นแก้มมาขอเล่นด้วยเลยสักครั้งแก้มจะเล่นแต่ของเล่นที่แม่ของแก้มซื้อมาให้จากกรุงเทพเท่านั้นจะว่าไปแล้ว น้ำก็ไม่เห็นเด็กคนไหนมาเล่นกับแก้มเลยจะว่าแก้มถือตัวเลือกเล่นกับเด็กฐานะาดีก็ไม่น่าจะใช่เพราะเด็กในหมู่บ้านหลายคนก็มีฐานะาดีเรียนเอกชนเหมือนกันนานมาแล้วขณะที่น้ำนั่งคุยกับเฟิร์สและสุที่เรียนในโรงเรียนเอกชนเดียวกันกับแก้มสุเล่าว่าไม่เห็นแก้มเล่นกับใครเลยเก็บตัวไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ น้ำก็พูดว่าแกมอาจจะยังไม่สนิทเพราะแก้มเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ปีเดียวสุกับเฟิร์สก็มองหน้ากันแล้วสุกก็บอกว่าแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแก้มก็ดูร่าเริงคุยเก่งชอบเล่นกับเพื่อนแต่พอเข้าอนุบาลหนึ่งก็เริ่มไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนแล้วพอแก้มเข้าอนุบาลสอง ยายของแก้มก็มาแจ้งกับทางโรงเรียนว่าจะขอย้ายไปเรียนที่กรุงเทพจากนั้นน้ำก็ไม่เคยได้เห็นแก้มอีกเลยแต่ตอนนั้นน้ำยังเด็กก็ไม่ได้สนใจอะไรเวลาผ่านไปหลายปีจนน้ำเกือบลืมแก้มไปแล้วอยู่ๆน้องผู้หญิงก็มาบอกว่าแก้มจะมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันกับน้ำเธอจึงแปลกใจเล็กน้อย วันรุ่งขึ้นน้ำไปถึงโรงเรียนเธอเห็นแก้มแล้วก็แปลกใจเมื่อก่อนแก้มเป็นเด็กสาวน่ารักผิวขาวตากลมโตมีแผลที่ขาเพียงเล็กน้อยแต่ตอนนี้กลายเป็นเด็กผู้หญิงผิวคล้ำเนื้อตัวเต็มไปด้วยตุ่มแผลเต็มไปหมดน้ำเห็นแล้วก็ตกใจที่แก้มเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แต่แม่ของน้ำเคยบอกว่า แก้มน้ำเลือดน้ำหนองไม่ดีน้ำก็เลยไม่ได้สนใจอะไรวันหนึ่งแก้มก็จากไปโดยไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนตอนนั้นน้ำอายุเ ก, ก้าขวบถ้าเทียบกับตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก่อนวัดบ้านนอกมีค่าสารากว้างๆเมนเผาศพเล็กๆใช้ไม้วางกองทับกัน เอาศพวางไว้บนกองไม้แล้วเผาในพิธีคืนแรกน้ำเพิ่งมารู้ว่าสาเหตุที่แก้มเสียชีวิตคือติดเชื้อไวรัสเอ v วีจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องทุกคนที่อยู่ในงานจากที่คุยคุยกันอยู่พอรู้สาเหตุการตายของแก้มก็เงียบกันหมดคืนที่สองขณะที่กำลังนั่งฟังพระสวดน้ำก็รู้สึกเย็นที่กลางหลัง สักพักก็หายไปเมื่อพระสวดเสร็จขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านน้ำได้ยินเสียงหมาหอนดังตั้งแต่ทีวัดจนไปถึงบ้านแกมคืนที่สามขณะที่พระกำลังสวดอยู่จู่ๆไฟฟ้าก็ดับลงประมาณส0สวินาทีได้บางคนคิดว่าไฟตกธรรมดาแต่บางคนก็คิดว่าเป็นเพราะแกม พอถึงวันเผาทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติคนสมัยก่อนบอกว่าดวงวิญญาณจะไปสวรรค์หรือลงนรกให้ดูที่ควันว่าลอยไปข้างบนหรือลอยลงข้างล่างเพราะควันนั้นก็เปรียบเสมือนวิญญาณของคนตายขณะที่เผาควันก็ลอยออกจากปล่องไปไม่ลอยลงดินแต่ลอยไปทางบ้านคน คนในงานก็พูดไปต่างๆนาๆนาน้ำเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเท่าไหร่นักเมื่อทำพิธีทุกอย่างเสร็จขณะที่กำลังแยกย้ายกันกลับบ้านสั ป, ปเปอ่์อก็พูดขึ้นมาว่าเตรียมตัวไว้ละกันวิญญาณจะกลับมาบอกลาญาติหรือคนที่รู้จักภายในเจ็ดวันน้ำได้ฟังก็ไม่ได้ใส่ใจ คิดว่าผีไม่มีจริงที่ผ่านมาตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนที่สามไม่มีใครเคยเห็นวิญญาณของแกมแม้แต่ยายที่เลี้ยงตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยเห็นจนกระทั่งคืนที่สี่มีเสียงคนมาเคาะประตูที่บ้านของน้ำพ่อของน้ำที่กำลังนอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้น แล้วเงี่ยหูฟังดูก่อนว่าใครมาเคาะเพราะคนสมัยก่อนเขาถือว่าไม่ให้ร้องทักกลัวเป็นผีเมาตัวแต่เสียงเรียกนี้ทั้งเคาะไปด้วยเรียกไปด้วยหลายรอบพ่อจึงเปิดไฟแล้วถามว่าใครก็มีเสียงตอบว่าฉันเองยายค้างพ่อก็เปิดประตูให้เห็นยายค้างยืนอยู่คนเดียว ยายค้างบอกว่าลูกชายเองอยู่ใช่ไหมช่วยฉันหน่อยพอดีสามีฉันเมาแล้วก็ลืมรถหายไว้ในนาขอลูกชายเองช่วยเอากลับมาให้หน่อยฉันกลัวมันหายพ่อก็เข้ามาปลุกพี่ชายของน้ำแล้วเล่าให้ฟังแม่ของน้ำก็เลยบอกว่าให้น้ำไปเป็นเพื่อนด้วย ทางที่จะไปที่นาเป็นทางเดียว ก, กันกับที่จะไปบ้านของแกมระหว่างที่เดินไปนั้นพวกเราก็เงียบกันไม่มีใครพูดอะไรพอไปถึงก็เอารถไถยกลับบ้านระหว่างทางกลับก็พากันคุยไปเรื่อยเปื่อยเพื่อไม่ให้กลัวเพราะบรรยากาศบันนอกในตอนกลางคืนมันวังเวงและน่ากลัวมากคืนนั้น มีเพียงลมพัดเอื่อยๆและแสงในคืนพระจันทร์เต็มดวงทุกคนจึงมองเห็นทุกอย่างโดยรอบอย่างชัดเจนอยู่ๆสายตาของน้ำก็เหลือบไปเห็นเด็กเดินอยู่ตรงทางข้างหน้าห่างไปประมาณห้ารอเมตรเลยหันไปถามยายค้างกับพี่ชายว่าเห็นอะไรไหมทุกคนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็น ยายเลยถามน้ำว่าเด็กที่ไหนมาเดินอยู่คนเดียวดึกดึดื่นๆอย่างนี้เมื่อมองดูลักษณะของเด็กคนนั้นแล้วก็คาดเดา ว, ว่าน่าจะสูงประมาณหนึ่งเซนติเมตรเห็นจะได้อายุประมาณเจ็ดขวบผมสัน้นใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวดูคล้ายชุดนอนซึ่งก็เห็นเพียงแค่ด้านหลังเท่านั้น ยายค้างรู้สึกคุ้นคุนแต่ก็นึกไม่ออกแต่น้ําจําชุดนั้นได้เพราะเคยเห็นที่งานศพของแก้มใช่เลยเป็นแก้มแน่ๆน้นําคิดในใจส่วนยายค้างแกยังคิดไม่ออกเลยหันไปถามพี่ชายของน้ําว่าไอ้เฟิร์สนั่นใครอ่ะรู้หรือเปล่าน้ํารีบตอบไปด้วยเสียงที่สั่นว่าพี่เฟิร์สจะรู้ได้ยังไงคนละบ้าน ยายแกก็นิ่งไปพักหนึ่งเออใช่ว่ะแล้วเด็กที่ไหนมาเดินอยู่ดึกดื่นแบบนี้น้ำตอบด้วยเสียงที่สั่นเหมือนจะร้องไห้หนูรู้ว่าใครทุกคนหันมาแล้วถามเป็นเสียงเดียวกันว่าใครแต่น้ำยังไม่ทันได้ตอบพอยายค้างหันกลับไปดูอีกทีเด็กคนนั้นก็หายไปแล้ว พวกเราเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็ไปถึงสามแยกทั้งสามคนหันดูทางซ้ายและทางขวาก็ไม่เจอเด็กคนนั้นพี่ชายตกใจแล้วถามว่าหายไปไหนแล้วเนี่ยเพราะทางข้างหน้าก็จะเป็นบ้านของน้ำแล้วถ้ามีเด็กเดินอยู่พวกเราที่เดินตามมาก็น่าจะยังเห็นเด็กคนนั้นไม่น่าจะเดินเร็วขนาดนี้ พอน้ำได้สติ ก, ก็บอกกับยายคางว่าเร็วเร็วสิยายยายยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถามว่าทำไมน้ำก็ตอบยังจะถามอีกเหรอก็ผีนะสิแล้วทุกคนก็รีบมุ่งหน้ากลับบ้านไม่พูดอะไรกันกึ่งเดินกึ่งวิ่งกันเลยทีเดียว หัดสิยอง